สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตพระเยซูตอนที่สองหกสิบสามเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามสิบแปดโปรดประทานอาหารประจำวันกับข้าพุทหลายในการวันนี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังถึงอาหารประเภทต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เมื่อวานนี้นะครับ เราได้กล่าวถึงเรื่องของอาหารได้รับการชำระโดยสองอย่างครับก็คือโดยพระวจนะของพระเจ้าและโดยคําอธิษฐานนะครับพระวจนะของพระเจ้าอนุญาตให้เรากินอะไรเรากินอย่างนั้นครับรับรองว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงและชำระโดยการอธิษฐานก็คือให้เรามีท่าทีในขณะที่กินอาหารก็คือขอบคุณพระเจ้า กินทุกคำนะครับเราจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องลองทดลองกินดูนะครับแต่ละคำเคี้ยวเคี้ยวเคยวกรืนเราก็ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าในใจเ ง, เงียบๆก็ได้นะครับหรือขอบคุณพระเจ้าเป็นเสียงออกมาให้เราได้ยินหรือให้สมาชิกในครอบครัวงเราได้ยินพี่น้องครับทุกๆคาเราจะขอบคุณพระเจ้า ทุกๆคำเราจะขอบคุณว่าพระองค์ยังทรงประทานฟันให้กับเราที่จะเคี้ยวได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังทรงประทานน้ำลายให้กับเราประทานลิ้นที่รับรสอย่างดีให้กับเราเมื่อเราดื่มกาแฟดื่มอาหารดื่มอาหารแล้วนะครับดื่มนมดื่ม น, นมถั่วเหลืองนมข้าวโพด ท, ทุกๆครั้งที่เรากลืนครับ เราก็ขอบคุณพระเจ้าลองทําดูนะครับพี่น้องเราจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในเช้าวันนี้เราจะไขครัวถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สําหรับเราเพื่อเป็นอาหารครับพระเจ้าจัดเตรียมพืชพันธัญญาหารในรูปของมเมล็ดเช่นข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์ข้าวฟ่างข้าวโพดในบทสมมัติการบทที่สี่สิบสามข้อสิบเอ็ดนะครับพระเจ้าได้จัดเตรียมพืชหรือธัญญาหารพวกถั่ว ผักตัวอย่างบันทึกไว้ครับเช่นแตงกวาผักหอมมะนาวหัวหอมกระเทียมถั่วถั่วแขกผักขมผักชรแน่พิมเสนมะม่วงหิมพานได้ในพระธรรมเยเรมีบทที่หกข้อยี่สิบก็ยังมีอ้อยหวานด้วยครับพี่น้องเราเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมพวกถัววกถ่วและผลไม้พวกถั่วและผลไม้ ที่เยเรมีอาโม่ันเรียกว่าผลไม้หน้าแรงก็จะมีองุ่นลูกเกดมะกอกมะเดือ่อทับทิมแอปเปิ้ลนี่คือผลไม้หน้าร้อนต่อมาครับในเฉือลธรรมบัญญัติบทที่สิบสี่ข้อที่ห้าก็มีอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ครับเช่นวัวแกะแพะลูกแกะลูกวัวเห็นไหมครับและยังมี ปลามีอะไรอีกหลายอย่างครับซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมเลวีนิติบทที่สิบเอ็ดนอกจากนั้นนะครับพระเจ้ายัางอนุญาตให้ชาวอิสราเอลได้กินสัตว์ปีกอีกด้วยในหนึ่งโเอลบทที่ยี่สบหกก็บันทึกไว้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้รับประทานนกกระทาครับในเลวีนิติบทที่สิบสองอนุญาตให้รับประทานนกพิราบ ในอพยบที่สิบหกรับปร ะ, ะ, 16, ะ, ประานนกคุ้มพี่น้องครับในพระนอมการบทที่สิบแปดข้อแปดยังมีน้ำนมมีเนยมีเนยแข็งมีไข่และมีน้ำผึ้งอีกครับนอกจากนั้นพระเจ้ายังเตรียมเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่อาหารของพวกเขาได้แก่น้ำตาลซึ่งทามาจากอ้อยหวานครับยังมีเกลือยังมีสารแนยังมียี่รา ยังมีเมล็ดพืชต่างๆยังมีมัสตาร์ดและยังมีสมุนไพรหรือเออบจำนวนมากมายพี่น้องข้าพระเจ้าได้จัดเตรียมอาหารให้กับเราอย่างอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเหลือกนะนับไว้กับเราครับเพื่อเราสำหรับเราและเมื่อพระเจ้าได้ตรัสสั่งให้ ประชาชนอิสราเอลเดินทางไปยังที่ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมว่นคือแผ่นดินแห่งขันธสัญญาก็อุดมไปด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมครับพี่น้องครับหมายถึงยินแดนที่รวมสมบูรณ์มากและเมื่อคนอิสราเอลนั้นส่งผู้สอดแหนมเข้าไปเขาพบว่าชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในหรือฟิลิสเตียที่อยู่ในดินแดนคณะอันนั้นหรือเรียกว่าชาวคณะอันในสมัยนั้นเป็น ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากครับพวงองังหนุนนะครับถึงใช้ขนาดต้องสอดไม้คามไม้คานครับแล้วก็สองคนหามนะครับพวงองหนุนนี่ใหญ่มากจนทั้งเมื่อเอาคานหามแนบกับไหล่แล้วเนี่ยหรือบ่าแล้วเนี่ยนะครับอังุ่นนั้นเนี่ยเป็นพวงใหญ่มากห้อยลงมาถึงดินถ้ากเรับความสูงนะครับเกือบเท่าคนเลยทีเดียว เราจะจินตนาการได้นะครับเห็นว่าพวงหุ่นนั้นมันใหญ่โตจริงๆครับพี่น้องซึ่งดินแดนอุดมสมบูรณ์แห่งพันธสัญญานั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทุกวันนี้นะครับมันก็ยังเป็นจริงอยู่และเมื่ออิสราเอลนั้นกลับไปนะครับครอบครองดินแดงพันธัญญานในปัจจุบันนี้อิสราเอลพบว่าเมื่อเขาพลิกฟื้นแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ตามพันสัญญาครับได้ เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเมื่ออิสราเอลนั้นทําการเกษตรกรรมด้วยวิธีสมัยใหม่พี่น้องครับพระเจ้าอวยพรเขาจากผืนดินที่พระเจ้าครั้งหนึ่งเคยสัญญาให้กับบรรพบุรุษของเขาว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นดินแดนแห่งน้ําพึ่งและน้ํานมเมื่อพวกเขากลับอยู่ในน้ำมัตไธของพระเจ้า อยู่ในแผนการของพระเจ้าเมื่อเขากลับเนื้อกลับตัวอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเหมือนกับเพลงที่บอกว่าเมืเ่อเราสารภาพบาปเมืเ่อเรากลับใจครับพระเจ้าจะอวยพรแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้พี่น้องครับไม่มีสิ่งใดเราไม่มีสิ่งใดเราไม่ได้รับประทานสิ่งใดเราจะไม่ได้สวมสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพื้นดิน ไม่ได้มาจากโลกนี้วัตถุธาตุต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานแห่งฝีประหัตของพระเจ้าทั้งสิน้นถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้นับเป็นความอัตัญญูอย่างใหญ่หลวงทีเดียวครับพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่าในทุกๆวันพระเจ้าได้ทรงจัดการโลกของเราซึ่งเป็นโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างเพื่อเกื้อหนุนความต้องการฝ่ายร่างกายของเราพี่น้องครับ พระเจ้ายัางสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีอาหารสําหรับมนุษย์พงษ์ทรงบำรงเลี้ยงพงทรงให้สิ่งที่เป็นอาหารสําหรับเราเพื่อนพีบอกว่าสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก็จะมีวัชพืชวัวมีหญ้าและฟางเป็นอาหารของมันม้ามีรําข้าวมีฟางนกมีเมล็ดพืชตักแตนมีใบไม้ครับ และพระเจ้าดูแลให้วัตจักรงวงจรอาหารนี้ดําเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนมากพี่น้องลองเปิดดูในพระธรรมสุดีบทที่หนึ่งร้อยสี่สิครับเราจะเห็นว่าน้ําฝนนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าถ้าไม่มีน้ําฝนตกลงมาหญ้าและผลไม้หญ้าและต้นไม้ก็เติบโตไม่ได้เราก็ไม่มีต้นไม้กินไม่มีผลไม้กิน ไ, ไ, ไม่มีพืชกินสัตว์ก็ไม่ได้กินห่วงโซ่อาหารนี้มาจากพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้น ถ้าน้ําฝนไม่ตกมาเราก็ไม่มีน้ําดื่มครับในที่สุดเราก็จะตายชาวโลกไม่ได้สํานึกถึงเรื่องนี้แต่เราชาวสวรรค์เรารู้ครับและสํานึกถึงเรื่องนี้เราขอบพคุณเสมอครับพี่น้องครับคนที่คิดว่าเราเลี้ยงดูตัวเองได้จงจําไว้นะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเราครับพระเจ้าให้เรานอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดโปรงทรงดูแล เรื่องอาหารเรื่องกายภาพของเราอย่างแน่นอนครับพี่น้องเมื่อเราอาธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันเรากำลังเป็นคนกระตันอยู่รู้ขุนเรากำลังขอให้พระเจ้าผู้ประทานความสามารถให้กับเรานะให้เรามีกำลังในการทำงานมีความสามารถในการเปิดปากและพูดได้มีความสามารถในการคิดและหาเลี้ยงชีพได้พี่น้องครับจงรู้ไว้ครับว่าพระเจ้านั่นเอง ซึ่งเป็นผู้ประทานความสามารถเหล่านี้ให้ให้เราทํามาหารับประทานอาหารได้ครับในทํานองเดียวกันครับเงินที่เราเบิกมาจากธนาคารจริงๆแล้วก็ทํามาจากกระดาษซึ่งได้มาจากต้นไม้นะครับเหรียญสตางก็ได้มาจากแร่ธาตุที่อยู่ในดินเหตุฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงการพึ่งพาอาศัยแล้วเราต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้าแน่นอนครับพี่น้อง เราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะไม่มีพระเจ้าได้เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้โดยปัาจากพระเจ้าเลี้ยงดูเพียงครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะจบด้วยพระวจนะพระเจ้านะครับหนึ่งพงศวดานบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบสี่หนึ่งพงศวดานบทที่ยีิ<า>รรบเก้าข้อสบี่บอกว่าทุกสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์สิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ง ข, งงาางคข้าพระองค์ ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์พี่น้องครับสิ่งของทั้งหลายทุกอย่างของเราได้มาจากพระเจ้าครับและเมื่อเราได้เราต้องคืนนะครับคืนของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์ของที่เป็นของพระองค์นั้นพระองค์กําหนดไว้แล้วครับก็คือสิบเปอร์เซ็น์หรือท่าสางนั่นเองพี่น้องครับ เวลาที่เราคืนทัศนา์สังนะครับอย่าใช้คําว่าถวายครับเพราะว่าไม่มีการเสียภาษี <c oughs> ในประเทศไหนในโลกนี้ที่บอกว่าเราถวายภาษีครับแต่เราเสียภาษีก็คือสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องคืนทัศน์สังให้กับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต่อไปนี้นะครับโปรดจําไว้ว่า พระเจ้านั้นทรงเป็นแหล่งที่มาของทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายและให้เรายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ตอบสนองความต้องการทั้งสิ้นของเราและจงทูลขอด้วยความถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าให้พระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ต่อไปเพื่อให้พระนามของพระองค์ได้รับการถวายเกียรติในทุกๆคําอธิษฐานแห่งการโมทนาพระคุณพระเจ้าของเราทั้งหลายอาเมน